วิญ ญ, ญาณกับจิตนะอันเดียวกันนะคำ ว, ว่าจิตคำ ว, ว่าวิญ ญ, ญาณคำว่าใจคือสิ่งเดียวกันนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทำไมมีหลายชื่อเวลาทำหน้าที่นี้ก็เรียกอย่างนี้เวลาทำหน้าที่นี้ก็เรียกอย่างนี้ทำหน้าที่รับอารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจ